ที่พึ่งทางใจตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธทางธรรมังสังขังสารนองกัจฉามิชนิดที่สองก็คือ อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนี่คือที่พึ่งทางใจสอ ง, สสองชนิดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนยึดเป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งอันแรกนี้สำหรับใจ ที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งไปก่อนใจที่ยังไม่เป็นที่พึ่งของตนเปรียบเป็นเหมือนเด็กทารกที่คลอดใหม่ที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตนเองไม่ได้ ก็จ้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูแล้วพอโตขึ้นก็อาศัยครูบาอาจารย์ตามสถานที่ศึกษาต่างๆให้ความรู้จนกว่าจะเรียนจบระดับป ร, ริญญาสามารถที่จะมีความรู้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ ก็จะมีที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งของตนเองต่อไปฉันใดใจของผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ใจของผู้ที่ยังต้องต่อสู้ต้องกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจก็จาเป็นที่จะต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วให้เป็นผู้สอนผู้แนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพอได้ปฏิบัติและได้หลุดพ้นแล้วก็จะมีตนเป็นที่พึ่งของตนคือจะสามารถที่จะ อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆดับความทุกข์ต่างๆได้เวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่สะทกสะท้านกับสิ่งต่างๆเพราะใจเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วแต่ในเบื้องต้นถ้ายัง มีความสะทกสะท้านยังมีความหวั่นไหวยังมีความหวาดกลัวยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆอยู่ก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไปก่อนวิธีที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของใจก็อยู่ที่การศึกษา พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองศึกษาชีวประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและศึกษาชีวประวัติของพระอริยสงสาวุป ข, ของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาเราจะได้รู้ว่าท่านดําเนินอย่างไร ท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้เป็นที่พึ่งของตนเองแล้วท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างไรเราก็ดูวิธีของการดำเนินของท่านวิธีปฏิบัติของท่านและดำเนินตามคําสอนของท่านถ้าเราน้อมเอาสิ่งที่เราได้ศึกษา ได้ร่ำเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะพึ่งตนเองได้คือหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็จะมีที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งของตน พอเรามีตนเป็นที่พึ่งเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของที่พึ่งทางใจในพระพุทธศาสนาที่พวกเราเข้ามาหาพระพุทธศาสนานี่ก็เพื่อมาหาที่พึ่งทางใจนี้เองที่พึ่งทางร่างกายนี้เรามีการพอเพียง มีกันเหลือเฟือเราอยู่กันอย่างสุขสบายทางร่างกายไม่เดือดร้อนไม่อัตคัดขัดสนมีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่มียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนลบภัยต่างๆร่างกายของเรามีที่พึ่งก็คือมีปัจจัยสี่ แต่ที่พึ่งทางร่างกายนี้ไม่สามารถปกป้องใจไม่ให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาได้เราจึงต้องมาหาพระพุทธศาสนามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สอนเราสร้างที่พึ่งทางใจกันขึ้นมานี่คือเรื่องของที่พึ่งทางใจ ว่าทำไมเรายังต้องมาศึกษามาปฏิบัติกันเพราะว่าที่พึ่งทางกายที่เรามีอยู่นี้พึ่งได้เพียงเฉพาะร่างกายแต่พึ่งให้กับจิตใจไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจไม่ได้ใจยังทุกข์ยังร้อนยังวุ่นวายยังวิตกกังวลยังเศร้าโศกเสียใจ ยังหวาดกลัวอยู่พอใจไม่มีที่พึ่งทางใจนั่นเองเราต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระอาหารหันตาสาวกหรือเข้าหาพระธรรมคำสอนของท่านท่านจะได้บอกวิธีการสร้างที่พึ่งทางใจให้แก่พวกเราแล้วพอเรานำเอาไปปฏิบัติก็เราก็ จะได้สร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาการปฏิบัตินี้เป็นการสร้างการศึกษานี้เป็นการดูรูปแบบของการสร้างว่าจะต้องสร้างอย่างไรเหมือนกับเวลาที่เราจะสร้างบ้านก่อนที่เราจะสร้างบ้านเราก็ต้องดูแบบของบ้านก่อนว่าเราต้องการแบบบ้านแบบไหน แล้วพอเรารู้แบบแล้วว่าบ้านจะเป็นลักษณะนี้จะมีเสากี่ต้นจะมีหน้าต่างกี่บานนะเราก็ดําเนินทําการก่อสร้างไปพอเราทําการก่อสร้างไปเดี๋ยวเราก็สร้างเสร็จนะเราก็จะได้บ้านที่อยู่อาศัยนะบ้านทางใจหรือที่พึ่งทางใจก็เป็นอย่างนั้น เราต้องดูเราต้องศึกษาว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราถึงจะได้มีบ้านของใจมีที่พึ่งทางใจพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราก็ดำเนินไปพอเราดำเนินเราก็จะได้บ้านได้พีได้ที่พึ่งทางใจขึ้นมา พอเราได้ที่พึ่งทางใจแนละ้วเราก็ไม่ต้องอาศัยอแบบบ้านอแบบที่พึ่งทางทางใจเพราะแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงก็คือบ้านที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนแบบบ้านเป็น เป็นตัวอย่างที่เราจะนำเอามาใช้กับการปฏิบัติของเราพอเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าและพระอรหันต์อริยสงสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเราก็จะได้ที่เพึ่งทางใจขึ้นมาตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้เราจะดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ก็เกิดจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ตสาวกได้ทรงสั่งสอนนี่คือเรื่องของการสร้างที่พึ่งทางใจขั้นที่หนึ่งก็คือต้องศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งว่าต้องทำอะไรบ้าง เมื่อได้ศึกษาแล้วขั้นที่สองก็นําเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุทำขั้นต่างๆก็แสดงว่าได้สร้างบ้านให้เสร็จเป็นขั้นๆไปขั้นที่หนึ่งอาจจะเสร็จเรื่องของรากฐานของบ้านขั้นที่สองก็เรื่องของโครงสร้างของบ้าน ขันที่ส็คกอเกี่ยวกับองค์ประกอบส่วนอื่นๆของบ้านจนในที่สุดก็จะได้บ้านครบบริบูรณ์อยู่ที่การศึกษาแนวทางแล้วนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้บ้านที่เราต้องการได้ผลที่เราต้องการได้มรกได้ผลได้นิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือที่พึ่งของเราถ้าเรายังพึ่งตนเองไม่ได้ยังไม่รู้จักวิธีสร้างบ้านสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเราเองปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ้เราก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อน แล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้เราได้มีที่พึ่งทางใจได้อย่างแท้จริงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถสอนให้เราสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาได้อย่างแท้จริง หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงสิ่งอื่นๆหรือคำสอนของผู้อื่นไม่สามารถที่จะสอนให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้การที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกนี้เพราะเราจะได้รับสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถมอบให้กับเราได้นั่นเองคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งปวง และการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นลาบเป็นโชคอันที่จะหายากอย่างยิ่งยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซื้อการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นในนานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งและเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ในโลกนี้ไปในระยะเวลาไม่กี่พันปีเช่นพระพุทธศาสนาของเรา n ี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณห้าพันปี หลังจาก5้าพันปีไปแล้วพระพุทธศาสนาก็จะจางหายไปจะไม่มีใครรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีใครรู้จักวิธีสร้างที่พึ่งทางใจให้กับตนเองกว่าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก ยาวนานจนเราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขว่ามีศูนย์กี่ตัวท่านเรียกว่าเป็นกลับเป็นกันคำว่ากลับกันนี่ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาทุกร้อยปีถ้าเราเอาภาไปรูปเขาพัสุเมนหรือเขาหิมาลัยนี่ทุกร้อยปีเรามารูปมันสักหนึ่งครั้ง ให้รูปอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้รูปไปจนกว่าเขาส่มเมนี้จะจะสึกหายเป็นหมดจากการที่ถูกเราลรูปนั่นคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนถึงจะทาให้ภูเขาทั้งลูกนี้หายไปด้วยการรูปของเราสึกหายไปสึกลอหายไปอันนี้คือเวลาที่เรียกว่าหนึ่งกับเนีย และเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์จะมาปรากฏให้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกนี้ก็เป็นเวลาหลายกลับด้วยกันก็ถ้าใครมาเกิดแล้วได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าพบกับตัวพระองค์เองเลยหรือพบกับตัวแทนก็คือพระธรรมคําคสอนหรือพระอาหารหันตสาวก ก็ถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตอนก่อนที่จะจากพวกเราไปพระองค์ก็ทรงตัดสอนตัดสั่งไว้ว่าธรรมวินัยคือคําสอนของเรานี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปจะเป็นอาจารย์ของพวกเธอเธอจะไม่ได้อยู่ป่าสะจากาศาสดาตอนนี้พวกเรา ไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าแต่เราก็ได้พบกับพระธรรมคำสอนเราได้พบกับพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถที่จะสอนให้พวกเราได้มีที่พึ่งทางใจกันได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก ท, กทั้งหลายกันดังนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ ยากมากที่จะได้ยากยิ่งกว่าการถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งดังนั้นเราพวกเราจึงถือว่ามีโชคกาลาบมากเพราะว่ารางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองเงินรางวัลที่เราจะได้รับจากการถูกรอตลี่รางวัลที่หนึ่งถูกรอตลี่รางวัลที่หนึ่งเราก็ได้เงินทองมา แต่เงินทองนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้ทำได้อย่างมากก็เป็นที่พึ่งของทางร่างกายถ้าเราไม่มีบ้านเราก็จะซื้อบ้านได้ถ้าเราขาดแคลนเรื่องอาหารเราก็จะซื้ออาหารมารับประทานได้อย่างพอเพียงถ้าเราขาดเสื้อผ้าขาดยารักษาโรค ถ้าเราได้เงินได้ทองมาเราก็จะสามารถซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าไว้มาดูแลร่างกายของเราได้ร่างกายของเราก็จะอยู่อย่างปกติสุขไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดจากการ พบปะกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันได้เช่นเรายังต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายพบกับความพัดพากจากกันเวลาที่เราพบกับสิ่งเหล่านี้ใจของเราก็จะไม่สบายใจจะทุกข์จะวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีที่พึ่งทางใจต่อให้เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ร้อยครั้งผ่านครั้งเงินทองที่เราได้จากการถูกลอตเตอรี่นี้ก็จะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจของเราได้ต่อให้เรามีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมันก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้ต่อให้เราเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเป็นพระราชามาหาจากักรพรรดิเป็นประธานาธิบดี เป็นนายกบัตรมนตรีหรือเป็นนายพลนายพันก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจของเราได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์เท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจของพวกเราได้เราจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคอย่างมากที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและได้พบกับพระอาหลานตสาวกที่จะเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาอธิบายมาสั่งมาสอนพวกเรามาชวนมาดึงพวกเราให้ปฏิบัติกันเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคําสอนก็จะยังไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับเวลาที่เราได้อาหารมาแต่เราไม่รับประทานอาหารถ้าเราไม่รับประทานอาหารอาหารจะเป็นอาหารวิเศษขนาดไหนอ ร, อร่อยขนาดไหนมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราถ้าเราไม่รับประทานอาหารนั้นทันใดถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐด้ว แต่ถ้าเรายังไม่นำเอาไปปฏิบัติผลประโยชน์ที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนาก็ยังจะไม่เกิดขึ้นมาการบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังจะไม่ปรากฏขึ้นมาจะปรากฏก็ต่อเมื่อเรานำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติปฏิบัติตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก็คือต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองสุปฏิปันโนคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็แปลว่าปฏิบัติอย่างเต็มที่ต้องปฏิบัติเต็มร้อยไม่ใช่ปฏิบัติเพียงร้อยละสิบถ้าปฏิบัติร้อยลสิบผลก็จะได้เพียงร้อยลสิถ้า ปฏิบัติเต็มร้อยผลก็จะได้เต็มร้อยเหตุกับผลเป็นอย่างนี้ตักน้ําใส่ตุ่มหนึ่งขันก็จะได้น้ําเพียงหนึ่งขันถ้าตักน้ำสิบขันก็จะได้น้ำสิบขันไม่ใช่ตักน้ำหนึ่งขันแล้วก็จะได้น้ำสิบขันมันเป็นไปไม่ได้เหตุกับผลมันเป็นอย่างนั้นเหตุเป็นเหตุเป็นร้อยละสิบผลก็ต้องเป็นร้อยละสิบ เหตุเป็นร้อยละห้าสิบพ้ก็เป็นร้อยละห้าสิบเหตุเป็นร้อยลก็จะเป็นร้อยอยู่ที่เหตุก็คืออยู่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็แสดงว่าปฏิบัติเต็มร้อยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะได้คะแนนเต็มร้อยได้คะแนนสี่จศนเป็นต้นนี่คือ การที่เราจะสร้างที่พึ่งทางใจเราต้องสร้างด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ส, ปปปนนอยยสุปฏิปันโนอูชุยายะสามิจิปฏิปันโนถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อให้เราศึกษาไปจนวันตายผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาผลจะเกิดก็ต่อเมื่อเรานำเอาคำสอนมาปฏิบัติเท่านั้น ดังที่มีนิทานเรื่องพระโพทิรัต ท, ที่พระพุทธเจ้าเวลาไม่พบกับพระโพทิรัตจะทรงตัดว่าโปธิรัตเธอเป็นใบาลานเปล่าเธออยู่ไปเปล่าๆปล่าตายไปเปล่าเปล่าก็คือไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย พระโพธิลัตนี่ท่านเป็นพระเถระบวชมาหลายปีได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนจำได้หมดแต่ไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติกิเลตตัตนหาที่เป็นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆยังยังไม่ได้รับการกำจัดออกไปจากใจของพระโพธิลันตอนต้นพระโพธิรัตก็คิดว่าการได้ศึกษานั้นก็เพียงพอแล้ว ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วแต่แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงยกย่องสรรเสริญทรงกับตำหนิว่าเป็นใบรานเปล่าเป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์อะไรยังไม่มีผลต่อจิตใจหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระพุทธโพธิราชก็เลยไปศึกษาไปปฏิบัติกับพระอรหรันต์ แล้วในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาหลังจากที่ได้ไปปฏิบัตินแต่ก่อนที่ไปปฏิบัตินี้ท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรนจนต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาส่งเตือนทรงสอนทรงบอกถึงจะออกไปปฏิบัติกันพวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็มาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ การฟังทางเพยงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอที่จะกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้จาเป็นจะต้องเอาไปปฏิบัติการฟังก็มีส่วนที่จะทำให้กิเลสตัณหานี้เบาบางไปได้บ้างเวลาที่เรามีปัญหาอะไรมีความทุกข์ใจ แล้วเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้มาแก้ไขเราก็สามารถที่จะกาจัดระงับความทุกข์บางส่วนได้แต่ความทุกข์ที่มันยังฝังลึกอยู่ในใจนี้เรายังอาจจะไม่สามารถที่จะกาจัดมันได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพลงอย่างเดียว ถ้าเราสามารถบรรลุจากการฟังเทศฟังธรรมได้ก็ถือว่าเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติไปพร้อมๆกับการฟังเทศฟังธรรมเลยอย่างนี้ก็มีอยู่ในสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธจเจ้าทรงแสดงพระธรรมคำสอนให้แก่นักบวชทั้งหลายนักบวชทั้งหลายนี่ ท่านเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีจิตที่สงบตั้งมั่นพอได้ยินได้ฟังธรรมที่เป็นปัญญาท่านก็สามารถน้อมนำเอามาสอนใจได้ในขณะที่ฟังเลยแล้วพอหลังจากที่ทรงแสดงพระธรรมเสร็จท่านก็สามารถบรรลุได้เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเหมือนกัน ท่านได้ปฏิบัติมาบางส่วนแล้วท่านได้รักษาศีลได้อย่างสะอาดบริสุดิแล้วท่านมีสมาธิมีจิตใจที่สงบที่ตั้งมั่นอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟัง ร, รมที่เป็นปัญญาท่านก็สามารถเอาธรรมนั้นมากำจับกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านให้หมดไปได้เลย ในสมัยเพราะพุทธการจึงมีการบรรลุธรรมกันในขณะที่ฟังธรรมเพราะว่าผู้ฟังธรรมนั้นก็พร้อมที่จะบรรลุคือมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วมีสมาธิมีจิตัที่สงบที่ตั้งมั่นแล้วเพียงแต่ขาดปัญญาที่จะเอามาใช้ในการทำลายต้นเหตุของความทุกข์ คือกิเลตัณหาต่างๆท่ า, านั้นเองพอมีผู้ที่รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้ามาทรงสอนว่าความทุกข์ทั้งหลายนี้เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้นั่นเองเกิดจากกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุจจพะเกิดจากภาวะตัณหาความอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ และวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งต่างๆที่ได้มาไปพอผู้ฟังมีศีลมีสมาธิแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมก็สามารถน้อมเอาธรรมนี้เข้ามาทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เลยก็สามารถบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เลย อันนี้เป็นเพราะว่าผู้ฟังก็พร้อมผู้แสดงก็พร้อมผู้แสดงก็จริงผู้ฟังก็จริงผู้แสดงก็รู้จริงเห็นจริงผู้ฟังก็เป็นผู้ปฏิบัติจริงจังเพียงแต่ขาดส่วนที่มีมีพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวที่รู้ก็คือปัญญานั่นเองพอได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าได้อริยสัจสี่จากพระพุทธเจ้า เขาก็สามารถที่จะทำใจของเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในขณะที่ได้ยินได้ฟังธรรมนั่นเลยส่วนพวกเราที่ก็เอากำลังฟังธรรมกันอยู่ขณะ น, นี้เราสามารถนมเอาอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้ามากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้หรือเปล่าถ้าเรายังไม่มีศีลที่บริสุทธิ์ ถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิที่ที่ตั้งมั่นมีใจที่สงบที่ตั้งมั่นเราก็จะไม่สามารถเอาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาใช้กาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ถ้าเราทำได้ก็ถือว่าเราก็มีศีลมีสมาธิที่บอยสุดแล้ว เราก็สามารถบรรลุบรรลุได้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมถ้าเรายังบรรลุไม่ได้ก็แสดงว่าศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์ควรตรวจตราดูว่าเรารักษาศีลได้ทุกวันหรือไม่โดยเฉพาะศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองยบเจ็ดนี้เรารักษาได้หรือไม่ เราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการหรือไม่เวลาออกจากสมาธิมาใจก็สงบว่างเป็นอุเบกขาหรือไม่อันนี้เกิดสิ่งที่เราต้องมีในการที่จะใช้ปัญญาใช้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มากำจัดตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ต้องมีสามส่วนด้วยกันต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาถ้ามีศีลครบร้อยสมาธิครบร้อยปัญญาครบร้อยมรรคผลนิพพานก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่คือเหตุของการบรรลุมรรคผลนิพพานการที่เรามาปฏิบัติการนี้ เราก็เพื่อมามาสร้างศีลสมาธิปัญญาให้เต็มร้อยนั่นเองถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาที่เต็มร้อยเราก็จะสามารถกําจัดกิเลสปัญหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ศีลเต็มร้อยก็คือมีความบริ ส, รสุทธิ์ทางกายทางวาจาตลอดเวลาไม่ทําผิดข้อใดข้อหนึ่งสมาธิก็คือมีความสงบ ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาใจไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตเป็นอยู่เป็นตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ปัญญาก็ทำงานตลอดเวลาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมาที่มาสัมผัสรับรู้ว่าเป็นตารักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหรือเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามหรือเป็นสิ่งสโปรกเช่นอาหาร อาหารถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารับประทานเราก็จะอยากรับประทานถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกขยะขยงไม่เราก็จะไม่อยากจะรับประทานเราก็จะละความอยากรับประทานอาหารได้ถ้าเราเห็นร่างกายของผู้อื่นว่าไม่สวยไม่งามเราก็จะละความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับเขาได้ถ้าเราละ ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลาได้ก็ดีใจเวลาเสียไปก็จะเสียใจก็จะรู้ว่ามันเป็นทุกข์จะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราจะไปถือว่าเป็นของเราไม่ได้เพราะถ้าไปถือว่าเป็นของเราเราจะทุกข์ทันทีเพราะเราจะอยากให้มันไม่จากเราไป แต่มันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปนี่คือปัญญาที่เราจะต้องมีอยู่ตลอดเวลากลิกถึงจะเรียกว่าปัญญาเต็มร้อยสมาธิเต็มร้อยก็เช่นเดียวกันใจต้องนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งไปกับเรื่องราวต่างๆสัก์แต่ว่ารู้อยู่เพียงอย่างเดียวถ้าจะคิดก็คิดอยู่กับเรื่องของปัญญาเท่านั้นปัญญาจะหมุนเหมือนกับท่านเรียกว่า มหาสติมหาปัญญาคำว่ามหมาสติมหมาปัญญาก็คือทํางานเต็มร้อยทํางานตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาปั๊บนี่ปัญญาจะหมุนทันทีจะคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาจะคิดไปในทางอสุภะคิดไปในทางอาหารในปฏิกู ล, ลสัญญาทันทีถ้าคิดอยู่อย่างนี้แล้วตันหาความอยากมันก็จะไม่สามารถทํางานได้เพราะ อยากได้อะไรก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์ทันทีอยากจะมีแฟนก็เห็นอสุภะทันทีอยากจะรับประทานอาหารก็เห็นสภาพที่ไม่น่าดูของอาหารทันทีมันก็จะทำให้ตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้อยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขก็เห็นว่าเป็นอนิจจ์เห็นเป็น อ, อนัตตา มาแล้วไปเกิดแล้วดับห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันอยู่กับเราก็จะทุกข์ก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรอันนี้คือการทำงานของปัญญาที่เรียกว่าเต็มร้อยต้องทำตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับี้ใจจะไม่คิดไปในทางกิเลสตัณหาเลย จะไม่เห็นว่าน่ารักน่าชมน่าดูน่าได้มีแต่น่าเกลียดน่ากลัวเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันจะต้องดับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเดี๋ยวจะต้องคืนเจ้าของไปเจ้าของของสิ่งต่างๆก็คือดินน้ํานมไฟนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟเป็นส่วนประกอบของดินน้ํานมไฟ พอถึงเวลามันก็แยกแยกกันออกไปท่คนละทิศคนทางกลับไปสู่ที่เดิมก็คือที่ตั้งของมันก็คือส่วนที่เป็นน้ำก็กลับไปสู่น้ำส่วนที่เป็นดินก็กลับไปสู่ดินส่วนที่ลมก็กลับไปสู่ลมส่วนที่เป็นไฟก็กลับไปสู่ไฟเช่นร่างกายของเราพอมันหยุดหายใจแล้วมันก็แยกทางกัน น้ำก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางดินก็ไปทางนี่คือการดําเนินของปัญญาถ้าเรียกว่าปัญญาเต็มร้อยจะคิดอยู่กับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เท่านั้นจะไม่คิดถึงลาบยศสราเสริญจะไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไม่คิดถึงทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองไม่คิดถึงสามีภรรยาไม่คิดถึงบุตรธิดา เพรของเหล่านี้ท่านรู้ว่ามันเป็นเพียงชื่อของดินน้ำหนุนไฟเท่านั้นเองสามีภรรยาก็ทํามาจากดินน้ำหนุนไฟบิดามารดาบุตรธิดาก็ทํามาจากดินน้ำหนุนไฟทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆก็มาจากดินน้ำหลุนไฟทั้งนั้นจะคิดไปทางนี้จะเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำหลุนไฟ ที่รวมกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องแยกจากกันไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดเป็นเรื่องของดินน้ําหลงไฟที่มารวมกันแล้วแยกตัวกันใจของผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับดินน้ําหลงไฟพอดินน้ำหลงไฟแยกตัวกันใจที่มาครอบครองก็แยกไปไปหาก้อนใหม่ไปหาดินน้ําหลงไฟก้อนใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ ถ้ายังมีความหลงมีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่ก็จะกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายใหม่แต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขก็จะไม่กลับมาหาสิ่งต่างๆอีกต่อไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ พอไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือการทำงานของปัญญาเต็มร้อยต้องทำในลักษณะนี้ทำตลอดเวลาทำบนจิตที่นิ่งสงบ ถ, ถ้าจิตนิ่งสงบแล้วถ้าคิดไปทางปัญญานี้มันก็จะตัดปัญหาความอยากต่างๆได้ถ้า ถ้าจิตไม่นิ่งสงบจิตฟุ้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าปัญญานั้นกลายเป็นกิเลสไปแล้วไม่ได้เป็นปัญญาแล้วเพราะปัญญาจะต้องทำใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นเสมอถ้าคิดไปในทางปัญญาแล้วทำให้ใจฟุ้งขึ้นมาทำให้ใจวุน่นขึ้นมานี้แสดงว่าเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งแล้วไม่ใช่เป็นปัญญาแล้วถ้าเป็นปัญญาใจต้องสงบใจต้องนิ่งตลอดเวลา นี่คือเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งทางใจที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเป็นที่พึ่งก่อนเป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นผู้นำทางพอเราได้ไปปฏิบัติแล้วเรารู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราเอง เป็นอัตตาหิตอัตโนนาติของตนและกลายเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปเหมือนกับพระพุทธพระเจ้าและพระอนันตสาวกตอนต้นท่านก็ต้องพึ่งผู้อื่นก่อนพอท่านเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วท่านก็กลายเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปโวกเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันตอนนี้เราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเราต้องหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรม ศึกษาวิธีการดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าวิธีดําเนินชีวิตของพระอรหันตสาวกว่าท่านไปทางไหนท่านไปทางราบยศสารเสริญสุขหรือว่าท่านไปทางศีลสมาธิปัญญาต้องดูทางเดินของท่านว่าท่านเดินอย่างไรแล้วท่านสอนให้เราเดินอย่างไรท่านสอนให้เราไปหาราบยศสารเสริญสุขหรือว่าท่านสอนให้เราไปหาศีลสมาธิปัญญา ท่านดำเนินอย่างไรท่านท่านก็จะสอนอย่างนั้นท่านดำเนินด้วยการไปหาศีลสมาธิปัญญาท่านก็สอนให้เราไปหาศีลสมาธิปัญญาถ้าเราศึกษาคำสอนของท่านเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่านท่านสอนให้เราไปหาศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องไปหาศีลสมาธิปัญญาท่านสอนให้เรายุติการไปหาลาบยศสรรเสริญสุ เราก็ต้องยุติการหาราบยศสารเสริญสุขเราต้องปฏิบัติตามเท่านั้นเราถึงจะได้ผลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับผลกันไม่ใช่ว่าฟังคําสอนของท่านแล้วแล้วก็ทําสวนกับคําสอนของท่านท่านสอนให้เราไปหาศีลสมาธิปัญญาพอเรากลับบ้านเราก็ไปหาราบยศสารเสริญสุขกัน ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต่อให้ฟังเทศฟังธรรมไปตลอดชีวิตก็จะไม่มีวันไปถึงมรรคผลนิพพานได้จะไม่สามารถทาให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองได้ก็จะต้องพึ่งราบยศสารเสริญสุขไปจนวันตายนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอรหันตสาวกแล้วปฏิบัติตาม ถ้าเราปฏิบัติตามได้เต็มร้อยเราก็จะได้ผลเต็มร้อยแต่ตอนต้นเราอาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยเราก็ปฏิบัติไปตามกำลังที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนถ้าเราปฏิบัติได้ร้อยละสิก็ปฏิบัติไปแล้วพยายามเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละยี่สิบร้อยลสามสิบตามลำดับไปเรื่อยๆอย่าอยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่มันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไป เราต้องขับรถไปเรื่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งทางใจที่มีอยู่สองชนิดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าพุทธทางธรรมังสังขังสรนังกัจฉามิที่พึ่งทางใจที่จะสอนเราให้สร้างที่พึ่งทางใจ สร้างตัวเราเองให้เป็นที่พึ่งของเราต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมท น, นาให้พรอยะาทาวาริวาาปุราปาริกปเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทนินังเปตานาังอุปกปปัปติ อิชิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนะเอราวศยธาเมณิโชติเอระโศยธาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินสัสตุมาเตภวตวันตระโย ο, สุขีทีขายุโกภวะ พิวาทานสีิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดต้องการถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาใครอยากจะถามก็ขึ้นมาพูดที่ตรงไมโครโฟนได้มีใครอยากจะถามไหมคำถามจากทางบ้านจากคุณลุดที่พระอาจารย์สอนว่าพระโสดาบันท่านละกิเลสอย่างหยาบได้ แปลว่าท่านไม่มีความอยากโดยอัตโนมัติคือไม่ต้องมาสอนตัวเองเลยว่าเรากินเพื่ออยู่มันไม่ได้อร่อยเราต้องไม่ติดในรสชาติอาหารเห็นรสสวยแล่นผ่านไปก็จะไม่มีความอยากได้รสนั้นวูบเข้าไปในจิตเลยท่านมีจิตหนักแน่นเป็นปึกแผ่นที่จะละกามากิเลสได้ทุกขณะจิตไม่มีหลุดเลยตลอดชีวิตเลยใช่ไหมค ะ, ะคุณต้องไป คุณต้องไปพิสูจน์เอาเองคุณมาพูดอย่างนี้แล้วให้มาเรารับรองได้ยังไงคุณก็คุณก็ต้องไปพิสูจน์ตามที่คุณพูดมาแล้วจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ฝ่าคำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่เขารู้จักวิธีรักษาใจของเขาให้เป็นปกติโดยไม่ไหลกับความคิดต่างๆเช่นเขาอยู่ในสถานการณ์ความพระภาก แล้วเขาก็ร้องไห้แต่พอเขารู้ตัวแล้วเขาก็หยุดร้องแล้วทำตัวปกติลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมาแล้วในอดีตใช่ไหมค ะ, ะเคยทำอะไรมากับเหตุการณ์อย่างไรพอเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอี ก, ก็มักจะทำแบบเดียวกันถ้าฆ่าตัวตายก็จะฆ่าตัวตายเองถ้ากินเหล้าก็ไปกินเหล้า วิธีดับทุกข์ของคนเรานี่มีหลากหลายวิธีด้วยกันเป็นเพราะว่าเคยทำมาแบบไหนก็มักจะแก้ปัญหาแบบนั้นบางคนก็ไปมีเมียน้อยเวลาไม่สบายใจก็ไปมีเมียน้อยไปหาให้หนูไปอาบอบนวดบางคนก็เข้าบ่อนไปเล่นไพ่บางคนก็ไปหาหมอดูร้อยแ0 0 0ประการ อันนี้ก็เป็นเรื่องของจริตนิสัยที่เคยสะสมมาในอดีตคยแก้ปัญหาอย่างไรก็มักจะไปแก้ปัญหาอย่างนั้นคนที่เข้าวัดภาวนาบวชก็จะเข้าวัดภาวนาบวชไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตชาติที่ได้เคยทามาข้อที่สองสิ่งที่จะทำให้เราไปเจอตัวเราที่แท้จริงคือสติตัวเดียวใช่ไหมคะ ก็สติแล้วก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาให้จิตรวมพอจิตรวมแล้วเราก็จะไปพบกับตัวรู้คำถามจากคุณมินดี้หนูเคยรายงานผลการปฏิบัติให้พระอาจารย์ทราบครั้งที่สองเมื่อวันที่ทยี่สิบห้ากรกฎานี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูทำให้หนูทุกข์มากที่สุดเคยคิดว่าตายไปเสียเลยจะดีกว่าขณะ น, นี้ความทุกข์และความคิดใน ปัญหาลดลงมากเวลาหยุดเวลาหยุดหรือหลุดบริกรรมเมื่อเกิดความคิดหนูหยุดคิดได้เลยบางครั้งมีกับเพื่อบ้างหากมันไม่หยุดคิดหนูก็ใช้ปัญญาพิจารณาได้ทันทีความคิดความอยากความทุกข์ก็ดับไปการใช้ปัญญาได้ผลสำหรับหนูมากค่ะหนูขอกลับเรียนถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นที่สูงขึ้นคือการพิจารณาทางปัญญา ในเรื่องไตรลักษณ์อสุภะอริยสัตว์เป็นการใช้ความคิดปรุงแต่งเพื่อสอนใจให้หยุดความอยากหากเราละความอยากได้หมดแล้วความคิดปรุงแต่งต่างๆทุกเรื่องในชีวิตทั้งกุศลและอกุศลยังคงเกิดเกิดดับดับอยู่จนวันตายหรือเปล่าคะเพียงแต่เราไม่ไปสุขไปทุกข์กับมันเพราะเรารู้แล้วว่าความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นธรรมชาติ มันไม่จริงมันหลอกให้เราหลงเหมือนยังกลับตายยังมองเห็นอยู่หรืออายตนะอื่นๆยังรับรู้อยู่แต่ไม่ปรุงแต่งต่อให้เราทุกข์หรือสุขได้หรือว่าความคิดปรุงแต่งจะอยู่ในสภาวะแบบใดคะหากหมดความอยากทั้งหมดแล้วก็ต้องปฏิบัติดูความคิดก็ยังคิดได้อยู่จะคิดไปทางไหนก็แล้วแต่ผู้คิดอันนี้ ต้องปฏิบัติดูไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะรู้เองว่าความคิดของเราจะเป็นแบบไหนแต่มันจะไม่คิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะมันรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการดังนั้นถ้าจะคิดก็อาจจะมีเหตุให้คิดถ้ามีเรื่องมีเรามีปัญหามาให้แก้ก็แก้ไปถ้าไม่มีปัญหาก็อาจจะไม่คิดอยู่เฉยๆได้เพราะสามารถควบคุมความคิดได้ คำถามจากคุณยุ้ยออลาวปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งมีวันหนึ่งนั่งสมาธิตามลมหายใจไปเรื่อยๆอยู่ๆสงบแล้ววูบลงไปเห็นอารมณ์ความคิดความรู้สึกอยู่รอยู่รอบๆเหมือนเรานั่งมองคนอื่นที่อยู่รอบเราแต่สิ่งที่เรามองนั้นมันเป็นอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเราเองแต่ไม่ใช่เราค่ะร่างกายไม่มี เห็นจิตตัวเองชัดเจนไม่สามารถคิดหรือนึกอะไรได้รับอารมณ์อะไรก็ไม่ได้เหมือนไม่มีใครเลยในจั ก, กรวาลมีแต่เราคนเดียวเวิร์งว้างว่างเปล่ารู้สึกกลัวขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็หายไปขอเรียนถามว่าข้อที่หนึ่งสภาวะที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรใช่จิตประภัสสอนหรือไม่คะอย่าไปหาชื่อมันเลยรู้จักตัวมันก็พอแล้ว มันจะชื่ออะไรก็ไม่ต้องเป็นปัญหาอะไรอยู่ที่ว่าเราเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่สิ่งที่เราควรทำก็คือควรที่จะเอาภาวะนั้นมาใช้กับเหตุการณ์จริงเวลาเราไปอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆก็ทำใจของเราให้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เราเห็นในสมาธินั้นก็แล้วกันข้อที่สองอสิ่งนี้เป็นสมถะยังไม่ได้เจริญปัญ จเจริญวิปัสนาใช่ไหมคะออย่าไปถามชื่อมันเลยมันขี้เกียจตอบชื่อนะคือตอนตอนที่เราเห็นนะัมันเป็นสภาพจิตที่ปล่อยวางเราก็เอาสภาพจิตนี้ไปปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆให้รู้เฉยๆข้อที่สามถ้าฟุ้งซ่านมากๆการฝึกสติในอเริยบทต่างๆในชีวิตประจําวันควรทําอย่างไรคะ ก็ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าเป็นเรื่องสำคัญจำจเป็นเกี่ยวกับการงานหรืออะไรก็ตามก็คิดได้พอคิดเสร็จก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวที่จะทาให้เกิดความวุ่นวายใจใเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาบ่ขอขอด้ มีใครอยากจะถามไหมในที่ที่นี้ถามได้นะรือจะส่งข้อความก็มาทางเฟซก็ได้เดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้ก็ส่งเข้ามาไดา้ตอนนี้มีถ่ายทอดสดนี้แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาถามได้ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊ l ล v e นะครับคำถามแรกจากคุณสมมาตรนะครับ ข้อที่หนึ่งการทำบุญสร้างวัดแต่ไม่มีความจำเป็นเพราะในที่สุดก็ไม่มีพระไปอยู่เป็นบุญหรือไม่คุยกับแฟนแล้วแฟนบอกว่าทำด้วยใจที่เป็นกุศลก็เป็นบุญคือเป็นบุญแต่ไม่เป็นประโยชน์บุญก็คือความสุขใจที่เราได้เสียสละทรัพย์ในการสร้างวัดขึ้นมาแต่ประโยชน์ในของการมีวัดก็ไม่เกิดเพราะไม่มีพระไม่มีใครไปทา เหมือนกับซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็เก็บไว้ในตู้ไม่ได้เอาไปใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรได้แต่เสียเงินแต่ไม่ได้ประโยชน์การทำบุญก็แบบเดียวกันเราทำแล้วแล้วไม่ไม่ไม่มีใครใช้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้อที่สองกรณีปล่อยเต่าลงน้าโดยไม่รู้ว่าเป็นเต่าบกผลคือเต่าตายแน่นอนอย่างนี้ยังเป็นบุญหรือไม่ ไม่รู้เหมือนกันข้อที่สามการไหว้พระเก้าวัดได้ผลบุญอะไรครับก็ได้เก้าคูนหนึ่งทำวัดเดียวก็ได้หนึ่งถ้าทำเก้าวัดก็ได้เก้าคูณคำถามจากคุณพัฒราวดีนะครับการถือศีลแปดเรานั่งนอนโดยใช้ผ้าขนหนูบางๆรองนั่ง นอนได้ไหมคะได้คือเป้าหมายก็คือไม่อยากจะให้นอนแบบสบายเกินไปนอนสบายแล้วเวลาถึงเวลาลุกจะไม่ยอมลุกเท่านั้นเองถ้านอนบนพื้นแล้วก็อาจจะปูเสือ่อปูผ้าบ้างพื้นมันเย็นอย่างนี้ก็ปูผ้าหรือแม้จะมีเบาบางๆก็ปูได้ถ้ า, านิ้วครึ่ง น, นิ้วปูไปแผ่นยางแผ่นอะไรกันความ การความเย็นป ก, ปกป้องรักษาสุขภาพร่างกายนี้ก็ใช้ได้แต่จะเป็นแบบฟูกหนาๆนะนะเด้งนอนพอลงกระดอนก็เด้งขึ้นมาคำถามจากคุณพัชรีนะครับขณะทำงานหากเราเจอสิ่งที่มากระทบจิตใจในทางลบเราควรรักษาใจเราอย่างไรดีเจ้าคะเพื่อไม่ให้ใจเราเสียไปกับสิ่งที่มากระทบก็ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ คำถามข้อต่อไปจากคุณการนะครับหลังสวดมนต์เสร็จมีบทขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทำแล้วเจ้ากรรมในเวรจะอโหสิกรรมให้เราจริงหรือไม่ก็ต้องไปหาเจ้ากรรมในเวรถ้าเราสวดคนละคนเดียวเจ้ากรรมในเวรเขาไม่รู้เรื่องรู้รลางเขาจะมาอโหสิกรรมเราได้อย่างไรถ้าเรามีเรื่องกับใครล้วก็ไปขอขามาเาไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขา เขาก็จะถ้าเราให้เขาอย่างพอเพียงเขาก็จะเลิกเลิกจองเวรจองกรรมกับเราเช่นเราไปชนรถชาวบ้านเขาพังอย่างนี้แล้วก็หนีไปชาวบ้านเขาก็ต้องแจ้งความแจ้งตำรวจตามจับเราถ้าเราอยากจะขอโหสิแล้วก็ไปหาเจ้าของรถแล้วก็ขอรับชดใช้ค่าเสียหายซื้อรถคันใหม่ให้เขาให้ดีกว่าคันเก่าเขาก็โหสิให้เราแล้วล่ะ ไม่ใช่แต่หน้าสวดอยู่ที่หน้าพระขอขอโหสีกรรมสวดไปจนวันตายเขก็ไม่อโหสิหรอกคำถามจากคุณชินจังนะครับทําอย่างไรถึงจะรู้อารมณ์ของตนมากขึ้นในการฝึกตนก็มีสติเนี่ยมีสติแล้วเราจะเห็นอารมณ์ของเราเกิดดับเกิดดับอย่างคำถามจากคุณพีพีซนะครับถ้าเรายังทําความสงบไม่ถึงจุดพอ เราจะพิจารณาทางปัญญาได้หรือไม่ครับคือการพิจารณาทางปัญญานี้มันต้องพิจารณาตอนที่จิตไม่สงบเป็นแต่ว่ามีฐานของจิตที่ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนี้มันจะไม่สามารถพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวกิเลสมันก็มาดึงไปเดี๋ยวความคิดอื่นก็จะมาดึงไปมันก็จะได้ได้ไม่เป็นกอบเป็นกรรมเท่านั้นเอง แต่จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธินี้พอจากสมาธิมามันจะไม่ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเราให้มันพิจารณาเรื่องใดมันก็จะเกาะติดอยู่กับเรื่องนั้นจนเห็นแจมแจ้งแดงแจ๋าว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภะอันนี้ต้องอาศัยจิตที่มีความตั้งมัน่นมีสมาธิถึงจะทําได้คําถามจากคุณกอนแก้วนะครับ พระอาจารย์กล่าวว่าใครเคยทําอะไรมาก็จะทําหรือแก้ปัญหาเช่นเดิมแล้วเขาจะสามารถพัฒนาจิตหรือการกระทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่คะถ้าได้เขาวควรทําอย่างไรก็ต้องเห็นความเห็นว่าการกระทําที่เราแก้ปัญหาแบบเดิมนี่มันไม่ถูกเช่นเรามีความไม่สบายใจเราก็ไปซื้อสุรามาดืม่มถ้าเรามีคนมาสอนมาบอกเราว่าการแก้ปัญหา ต้องแก้ที่จใงไม่ได้แก้ที่การไปดื่มสุราความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราให้เรามาแก้ตรงนี้ให้มาทำใจให้สงบใจสงบแล้วความอยากก็จะระงับไปชั่วคราวอันนี้ก็แก้แบบชั่วคราว แ, แต่ดีกว่าการไปดื่มสุราเพราะดื่มสุราแล้วมันก็มีปัญหาใหม่ตามมาจะติดโรคจะติดการดื่มสุรา แล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามม า, ต, า, ต, า, ต, า, ต, าต่อไปอันนี้เราต้องรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาของเรานี่มันไม่ถูกวิธีจะรู้ก็คือมาวัดกันอย่างนี้มาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่ถูกวิธีแล้วเราก็จะได้มาใช้วิธีใหม่แต่ตอนตอนต้นนี่มันก็มันก็จะยากเพราะมันจะถนัดวิธีเก่า เวลาจะไปดื่มเวลาเราก็ต้องหา้าวาาอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่เราจะแก้ปัญหาแก้ปัญหาเราต้องวิเคราะห์ดูว่าเราไม่สบายใจเพราะเราอยากกับอะไรอยากกับเรื่องใดกับสิ่งใดแล้วเรามาหยุดความอยากนั้นด้วยการมองความจริงว่าสิ่งที่เราอยากให้เป็นไปนั้นมันอยู่ในการควบคุมบังคับของเราหรือไม่เราสั่งให้มันเป็นไปตามความที่เราอยากได้หรือไม่ ถ้าเราสั่งไม่ได้อย่าไปอยากรีกว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยไปเปล่าๆเช่นอยากจะเปลี่ยนกล้วยให้เป็นส้มอย่างเงี้ยอย่าไปอยากอยากไปจนวันตายกล้วยมันก็ไม่เป็นส้มมันก็ต้องเป็นกล้วยอยู่ตลอดเวลาคนเราก็เป็นเหมือนผลไม้คนบางคนก็เหมือนกล้วยบางคนก็เหมือนส้มนี่ถ้าเราไปอยากให้เขามาจากจากกล้วยมาเป็นส้มนี่เราก็จะทุกข์ใจไปเปล่าๆเพราะเขาเขาไม่เปลี่ยนเขาจะเป็นกล้วยแต่เราอยากจะให้เขาเป็นส้ม อันนี้ถ้าเราเปลี่ยนใจเท่าก็เป็นกล้วยก็ปล่อยก็เป็นกล้วยไปอย่าไปอยากไปให้ก็เป็นส้มความไม่สบายใจของเราก็หายไปคําถามข้อต่อไปจากคุณเสริมศักดิ์นะครับอยากให้อธิบายความหมายบุญแท้กับบุญไม่แท้ครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพของสังคมก็ได้ครับบุญแท้ก็คือการทําบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนจากใคร ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ด้วยความเมตตากรุณาไม่เอาหน้าเอาตาบุญไม่แท้ก็คือบุญที่มีกิเลสแ้งอยู่อยากจะให้คนเขารู้ว่าเราได้ทําบุญเขียนชื่อบริจาคสร้างโบสถ์สร้างกุฏิก็ติดชื่อโฆษณาหรือบางบริษัทเขาก็จ้างสื่อมาทําทำพีอา PR อันนี้เป็นการทําบุญที่ไม่แท้ ถ้าทําบุญแท้ต้องทําบุญแบบปิดทองหลังพระะอย่างนั้นเรเรียกว่าทําบุญอย่างแท้จริงไม่ต้องการอะไรเลยแต่ก็ไม่ว่าไม่ไม่ผิดนะไม่เสียหายนะทำบุญเทียมก็ได้บุญเหมือนกันแต่มันไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่ามันยังมีกิเลสมีความอยากแฝงอยู่ในการทําบุญนะั้นยังอยากได้บางสิ่งบางอย่างเป็นผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับบุญแท้หรือบุญเทียมตามความเข้าใจของเรานะอาจจะมีที่มันแตกต่างจากนี้ไปก็ได้เพียงแต่คิดไม่ถึงคิดไม่ออกในตอนนี้คําถามจากคุณพาดานะครับบางวันปฏิบัติได้ดีบางวันเวทนาลุ่มแล้วจนปฏิบัติต่อไม่ได้ทําอย่างไรต่อไปดีวันที่ดีเพราะสติมันดีสติมันต่อเนื่องใจไม่วอกแวกใจไม่ไหลไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆ ให้อยู่กับอารมณ์ใดก็จะอยู่กับอารมณ์นั้นเวทนาก็จะไม่ค่อยเกิดะวันไหนที่มันวอกแวกมันไหลไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวทนาจะเกิดขึ้นง่ายดังั้นต้องหมั่นพยายามจะดอนสติอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ให้มากๆแล้วจะภาวนาดีใจจะเย็นใจจะสงบใจจะสบายคําถามจ้กคุณสรัญญานะครับเวลานั่งสมาธินั่งขัดสมาดไปสักพัก จะจะแวดที่ขามากตอนแรกใจก็ฟุ้งๆพอใจเริ่มจะสงบขามันปวดจนขาชาต้องเปลี่ยนมานั่งพับเพียบสลับกันไปแต่ใจที่ดูลมอยู่ก็เริ่มละเอียดแต่ขา ม, มันไม่ไหวแต่นั่งแบบยืดขาแล้วจะนั่งได้นานขึ้นไม่ทราบว่าทำแบบนี้ใจจะรวมนั่งได้ไหมคะคือรวมไม่รวมมันไม่ได้อยู่ที่นั่งในท่าไหนอยู่ที่สติ ถ้าสติมีกำลังมากนั่งอยู่ในท่าไหนก็รวมได้แต่ถ้าถ้าไม่มีสตินั่งในท่าไหนมันก็ไม่รวมเหมือนกันดังนั้นการจะรวมไม่รวมนี้มันอยู่ที่อยู่ที่สติเป็นหลักท่านี้มันเป็นเพียงการการการนั่งเพื่อความสบายของร่างกายถ้านั่งนานๆ น, นี้ท่านจะนิยมนั่งขัดสมาธิกันเพราะเป็นท่าที่มันสมดุล ที่นั่งกันแล้วนั่งกันได้นานไม่เอนไม่อะไรแต่ถ้าเราไม่ถนัดนั่งไม่ได้ก็นั่งในท่าที่เรานั่งได้ไปก่อนถ้าเรามีสติ ด, ดีแล้วเรานั่งในท่าไหนก็สงบได้คําถามจะคุณเท่าลงนะครับ ตอนนี้ผมเป็นมะเร็งเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้ลูกเมียช่วยตลอดผมต้องการให้มันจบแต่มันก็ไม่จบเสียทีจะทําร้ายตัวเองก็กลัวบาปจะทําอย่างไรดีครับตอนนี้ก็ได้แต่สวดมนต์ไหว้พระเท่านั้นก็ให้มองว่านี่แหละตอนนี้เป็นโอกาสอันดีของเราที่เราจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะกคนเราถ้าไม่ทุกข์มันจะไม่เจริญปัญญาไม่ได้ ถ้าเราจเจริญปัญญาในขณะที่ไม่ทุกข์นี่มันยังไม่เป็นปัญญาแท้มันยังไม่ได้เป็นปัญญาที่จะมาใช้ดับความทุกข์นี่แต่ถ้ามีความทุกข์แล้วเราใช้ปัญญาแล้วดับเราก็จะถ้าเราใช้เป็นเราก็สามารถดับความทุกข์ได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็บรรลุทำขั้นต่างๆได้ดังนั้นเราควรจะถือว่ามันเป็นโอกาสกะ เ, เรียกว่าเป็นเราสามารถพลิก วิกฤตให้เป็นโอกาสได้เหตุการณ์ที่มันเป็นวิกฤตกับเรานี้มันเป็นโอกาสอันดีสําหรับผู้ที่ต้องการทำเพราะว่าทำมักจะเกิดในช่วงที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นพ่อของพระพุทธเจ้าก็บรรลุเจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตคนเราต้องมีความทุกข์มันถึงจะต้องหาปัญญามาแก้ถ้าไม่มีความทุกข์มันก็ไม่ มันก็ขี้เกียจไม่รู้จะเอาปัญญามาทำอะไรงั้นถ้าเรามีความทุกข์ให้รีบพิจารณาร่างกายเลยตอนนี้ว่าร่างกายมันไม่เที่ยง เ, ยเกิดแก่เจ็บตายแยกมันออกไปว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นของพ่อแม่ที่มอบให้เรามาเราเป็นดวงวิญญาณเป็นดวงจิตดวงใจที่มาครอบครองร่างกายนี้แต่ก็เป็นเจ้าของได้เพียงชั่วคราว พอถึงเวลาร่างกายนี้ก็ต้องแก่เจ็บตายเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ปล่อยมันเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปกลัวมันมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปให้รู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับมันเราไม่ได้แก่ไปกับมันเราไม่ได้เจ็บไปกับมันเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราเป็นหมอร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนคนไข้หมอก็ดูแลคนไข้ไป คนไข้หายก็หายไม่หายก็ตายหมอไม่เห็นจะเดือดร้อนกับเรื่องของคนไข้เลยเราต้องแยกตัวเราออกจากร่างกายอย่าไปคิดว่าเราเป็นร่างกายวิธีทยี่ยากก็สวดมนต์ไปพุทโธไปทำใจให้สงบใจสงบแล้วใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันแล้วเราก็จะลุเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะได้บรรลุธรรม ตอนนี้เรามีโอกาสดีกว่าคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็เลยยังไปทำอะไรตามกิเลสตัณหาต่างๆอยู่เพราะเขาใช้ร่างกายไปนู่นมานี่ได้อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปกินไปดื่มไปทำอะไรก็ไปทำได้เขาก็เลยแทนที่จะมาทางธรรมเขาก็กลับไปทางกิเลสตัณหาอย่างของเรานี่ร่างกายมันไปไม่ได้แล้ว จะไปทางกิเลสตัณหาไม่ได้แล้วเราต้องถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโชคของพวกเราของเราที่ตอนนี้ร่างกายไม่สามารถตอบสนองกิเลสตัณหาได้มันพร้อมที่จะตอบสนองทำแล้วทำไมเราไม่รีบฉวยโอกาสอันดีนี้มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปทําใจให้สงบให้นิ่งไปแล้วพอออกจากความสงบมาก็ ปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไปมันไม่ใช่เป็นของเราปล่อยให้หมอดูแลรักษาไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายกันด้วยกันทุกคนอันนี้คือโอกาสอันดีอันวิเศษของเราถือว่าถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วตอนนี้รีบไปขึ้นรางัลรีบเจริญปัญญารีบนั่งสมาธิเริ่มทาใจให้สงบ แล้วเดี๋ยวก็จะได้รับรางวัลที่หนึ่งพระอาจารย์ครับผู้ที่มักจะเห็นธรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่พระอาจารย์บอกว่ามักจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์แล้วในกรณีผู้ที่มีแต่ความสุขมีสิทธิที่จะบรรลุธรรมหรือมีความแตกต่างจากผู้ที่มีทุกข์อย่างไรไหมครับอาจารย์ผู้ที่มีความสุขก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าใจใ่มองทุกข์มองความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ มันก็จะทําให้ไม่หลงระเริงกับความสุขมันก็จะพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะได้กําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาแตถ้าเราลุกทีไรนี่เราจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นม า, ท, าทัานทีงั้นหมั่นไปงานศพ บ, บ่อยๆก็ได้มางานหมันม่นไปเยี่ยมป่าช้าบ่อยๆ หรือไปเยี่ยมคนแก่คนชจลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรานั่งนานๆให้ร่างกายมันเจ็บมันปวดไปทั่วสะพางกายเราดูซึ่งว่าเราจะสามารถที่จะทำใจให้อยู่กับมันได้หรือเปล่าถ้าเราอยู่กับความเจ็บแบบรุนแรงได้ต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บเรื่องของความตายเราก็ลองไปหาที่มันน่ากลัวดู ดูว่าเราจะดับความกลัวตายได้หรือไม่ถ้าเราดับความกลัวตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความตายต่อไปดังนั้นถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็ต้องไปหาทุกข์ต้องสร้างทุกข์ขึ้นมาอย่างคนที่เขาไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยเขาก็ไปหาความทุกข์กันเขาไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสดูด่กับญาติพี่น้องอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนเขาไปอยู่คนเดียว แล้วก็ไปอยู่ถ้ากลางสถานที่ที่มีภัยรอบด้านพระธุดงค์เนี่ยท่านไปอยู่กับภัยรอบด้านท่านไม่มีบ้านอยู่ไม่มีกติอยู่ท่านมีแต่กรดมีมุ้งกับล่มคันหนึ่งแล้วก็แค่แล้วรอบตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเข้ามาทําร้ายท่านแต่ท่านก็เตรียมตัวเตรียมใจปล่อยวางร่างกายพร้อมที่จะตายท่านก็จะได้ทําขึ้นมา คำถามจาคุณปาณีนะครับการเดินจงกรมให้สติอยู่กับการก้าวเท้าซ้ายหรือขวาใช่ไหมเจ้าคะจะเดินเร็วหรือเดินช้าเดินเร็วช้าแล้วแต่เราจะต้องการบางทีมันง่วงอาจจะเดินเร็วก็ได้บางทีไม่ง่วงบางทีไม่อยากจะเดินเร็วอยากจะเดินสบายๆก็เดินช้าก็ได้แล้วแต่ว่าจิตของเราเป็นยังไงบางทีเดินเร็วแล้วจิตมันนิ่งก็เดินเร็วบางที ไม่ต้องเดินเร็วเดินช้าๆมันนิ่งก็เดินช้าๆได้แต่ต้องมีอะไรกับกับใจไว้ผูกใจไว้จะใช้เท้าก็ได้จะใช้พุทโธก็ได้ถ้าใช้เท้าก็ดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าใช้พุทโธก็อยู่กับคำบริกรรมไปเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดแล้วความอยากก็จะไม่มีความว่างความเย็นความสบายใจก็จะตามมา คำถามจากคุณจูนี่นะครับในทุกๆปีได้ทําบุญให้พ่อกับแม่และพี่สาวที่เสียไปหลายปีจะทําผ้าป่าไปให้และทําบุญไปให้ไม่ทราบว่าท่านๆจะได้รับบุญนี้ไหมคะเพราะเวลาพระท่านสวดมน์เอาลายชื่อที่เขียนในกระดาษมาเผาลงไปที่กวดน้ําไม่ทราบว่าแบบนี้ทําถูกต้องไหมมันไม่ได้อยู่ที่ชื่ออยู่ในกระดาษหรอกมันอยู่ที่ในใจเรา เวลาเราอุทิศบุญนี่เราอุทิศจากใจเราไปเราคิดถึงใครชื่อของใครเราก็เราก็นึกไปภายในใจเช่นนักเลิกว่าเขาทิศบุญส่วนนี้ให้กดคุณพ่อกอคุณแม่ขอมันก็ไปแล้วไม่ต้องเขียนกระดาษไม่ต้องให้มีพระมาสวดนก า, การการกรวดน้ําการสวดของพระนี้ไม่เกี่ยวกับการอุทิศบุญเพียงแต่ว่าเราไปโยงมันเข้ามาโดยโดยไม่รู้ตัว ความจริงการสวดให้พรของพระนี้เป็นการสอนว่าเวลาทําบุญแล้วเราสามารถอุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้ล่วงลับไปได้นอกจากบุญที่เราอุทิศแล้วบุญที่เราเหลืออยู่กับเราก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยอายุวันนะสุขภาล ะ, ะนี่คือก็ความหมายของคําสวดของพระมีเท่านั้นพระจะสวดไม่สวดผลที่เราทํานี้มันได้แล้วจากการจากเหตุ คือการกระทาของเราดังนั้นจะมีพระมาให้พรหรือไม่ให้พรถ้าเราทำบุญแล้วเราก็ได้บุญอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ทำบุญแล้วเราไปฟังพระสวดร้อยครั้ง0ันครั้งเราก็ไม่ได้บุญอยู่ดีคาถามาจะคุณอนันทยานะครับทาไมบางคนไม่เชื่อในเรื่องภพชาติจะมีวิธีอธิบายอย่างไรเพื่อให้เขาเข้าใจ คนตาบอดพูดยังไงมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคนตาบอดก็เอาไปบอกว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงเลยไม่มีทางถ้าก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเขาเห็นแต่สีดำก็ปล่อยเขาไปอย่าไปเหนื่อยเลยอย่าไปพูดกับคนหูหนวกตาบอดพูดไปก็เสียเวลาเปล่ า, านอกจากว่าเขาเชื่อเ็าอยากจะมาถามเราอย่างนี้ก็ค่อยอธิบายให้เขาฟังถ้าเ็าไม่สนใจไม่อยากจะถามก็อย่าไปพูดเหมือน เหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัขเทไปปั๊มันสะบัดทิ้งหมดเลยเสียดายน้ำเก็บน้ำไ้ทําอย่างอื่นดีกว่าคำถามจากคุณอดิศักนะครับการถือศีลห้าศีลแปดสามารถจะสำเร็จอรหันได้ไหมครับก็ต้องมีศีลเนี่ยศีลก็ต้องบอยสุดเนี่ยถ้าจะไปถึงขั้นพระอรหันนี้อย่างน้อยก็ต้องศีลแปดศีลห้าไม่พอ สีหน้านี้ก็เพียงแต่การให้เราไม่ไปเกิดในอบายเท่านั้นเองแต่ไม่มีกำลังพอที่จะส่งให้เราไปเป็นพระอริยบุคคลได้การจะเป็นพระอริยบุคคลนี้ต้องมีศีลแปดขึ้นไปถึงจะสามารถไปได้แต่ไม่ใช่เฉพาะศีลแปดเพียงอย่างเดียวศีลแปดจะส่งให้เราไปสู่การนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็จะพาเราไปสู่การเจริญปัญญา การเจริญปัญญานี่แหละจะเป็นตัวที่จะทําให้เราได้ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆคําถามจากคุณเลิฟนะครับผมมีอาการมือสั่นใจสั่นจนเขียนหนังสือไม่ได้มันจะเกรงจะใช้ธรรมะรักษาได้ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของร่างกายนี่ก็ต้องไปหาหมอธรรมะรักษาไม่ได้แต่ถ้ามันเหตุมาจากใจใจสั่นแล้วมือสั่นก็ใช้สติเจริญสติพุทโธพุทโธ ทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วร่างกายก็จะหายสัน่นถ้าใจสัน่นร่างกายก็ถ้าร่างกายสัน่นตามตามความสั่นของใจแต่ถ้ามันสั่นเพราะเป็นโรคพากินสันอย่างนี้ก็ต้องไปหาหมอขนาดถ้าอาจารย์สุดใจท่านเป็นเจ้าวาดวาดัดป่าบรนตาท่านปฏิบัติมาต้อง4ี่ิบกว่าปีท่านก็ยังใช้ธรรมะหยุดโรคพากินสันไม่ได้ท่านก็ยังต้องไปหาหมอ ถ้าเป็นเรื่องโลกของทางร่างกายก็ต้องหาหมอหายารักษาไปถ้าเป็นเรื่องของทางใจก็ใช้ธรรมะรักษาได้คําถามจากคุณอาร์ตนะครับการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากการเจ็บไข้การออกกําลังนั้นทําให้เราตามใจกิเลสไหมครับเพราะว่าถ้าคิดอย่างหนึ่งคือต้องการให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ไข้ง่ายๆแต่คิดอีกอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกับว่าเราทําเพื่อให้รูปร่างเราดูดีอย่างนี้มันคือการทําให้แข็งแรงไม่มีโรคภัยหรือเราทําให้กิเลสมันพ่อพูนครับมันมีทั้งสองทางครับก็แล้วแต่เราว่าเราทําด้วยสาเหตุอันใดเหนถ้าเราทําทําเพื่อกิเลสมันก็เป็นกิเลสถ้าทําเพื่อธรรมมันก็เป็นธรรมได้เช่นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้า พาลีอาสงสารกท่านก็ยังเดินจงกรมกันการเดินจงกรมบางท่านก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะรักษาร่างกายออกกําลังกายให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเพราะถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็เป็นง่อยได้ก็ต้องมีสลับการเปลี่ยนพิรีอาบทบางท่านก็ท่านท่านก็ทําโยคะกันยืดเส้นยืดสายกันเพื่อที่จะประครับประคองรักษาร่างกายให้มันอยู่ไปต่อไปเพราะร่างกายนี้มันก็เป็นเครื่องมือของธทำได้เหมือนกัน ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือทั้งของธรรมก็ได้ของกิเลสก็ได้นะถ้าใจเป็นกิเลสมันก็จะเป็นเครื่องมือของกิเลสถ้าใจเป็นธรรมมันก็จะเป็นเครื่องมือของธรรมการที่ครูบาอาจารย์พระที่ท่านหลุด ต, ตนแล้วท่านประคับประคองร่างกายนี้ท่านก็ทําด้วยธรรมก็คือทําด้วยความเมตตาไม่ได้ทําเพื่อกิเลสคือความอยากที่จะมีชีวิตอยู่ยืดยาวนานแต่ทําไปเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาสงเคราะห์โลก มาช่วยโลกมาช่วยจิตใจของคนที่ยังตกทุกตกอยู่ในกองทุกอยู่จะได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทามีปัญหาก็จะได้มีผู้คอยถามคอยตอบให้การกระทำแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อตนไม่ได้ทำเพื่อกิเลสด้วยความอยากแต่ทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมฉะนั้นอยู่ที่เหตุผลของการกระทำว่าทำทำเพื่ออย่างไรจะเป็นกิเลสก็ได้เป็นธรรมก็ได้ คำถามจะคุณหนิงนะครับคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายรับแรงกระทบจากสิ่งต่างๆบนโลกง่ายจะทำให้มองเห็นสภาวะธรรมได้เร็วกว่าผู้ที่มองโลกในแง่บวกหรือคนเข้มแข็งได้หรือไม่คะหรือคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตอกุศลมากกว่าคืออ่อนไหวมันมีสองลักษณะอ่อนไหวด้วยกิเลสคือไม่มีสติอะไรมาสัมผัสหน่อยก็ไป ใครพูดอะไรไม่ดีไหนก็โกรธเสียใจล้างหม่มล้างให้อ่อนไว้แบบนี้มันอ่อนไว้แบบกิเลสนะอ่อนไว้แบบธรรมก็คือพออะไรมาสัมผัสก็รู้ทันรู้ทันรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางทันทีอย่างนี้ก็เรียกว่าอ่อนไว้แบบธรรมพออะไรมาสัมผัสปับ๊บไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางสัตว์แต่ว่ารู้ไปอันนี้จะเรียกว่าอ่อนไว้ก็ได้แต่อ่อนไว้แบบธรรมไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้ เป็นคำถามต่อเนื่องอเพื่อผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะครับซึ่งกำลังเข้ามาสู่การปฏิบัติเต็มตัวนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านมากใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเก็บไปคิดแม้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับแทบจะทุกเรื่องอย่างนี้ควรทำอย่างไรครับป้าอาจารย์ก็ต้องหยุดความคิดนีต้องฝึกสติให้มากให้มีจิตอยู่กับพูดโธพูดโถไปมันก็จะไม่มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ หรือถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธดึงกลับมาได้แต่ถ้าไม่มีพุโทโธนี่มันก็ไปเลยไปจนกว่ามันจะหมดแรงร้องไห้จนหมดน้ำตาถึงจะหยุดร้องและเขาก็ยังมีความสงสัยว่าทำไมบางครั้งพระอาจารย์บอกว่าให้มาฟังธรรมบ่อยๆแต่ในขณะที่บางท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องให้มาบ่อยอมีปัญหาค่อยมาถามครับอาจารย์ คือการฟังธรรมไม่ต้องมาฟังที่นี่เข้าใจไหมหมายความว่าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ฟังได้เดี๋ยวนี้ฉะนั้นฟังธรรมบ่อยๆนะดีแต่จะมาตั้งหน้าตั้งตามานั่งดูหน้าดูตาเราฟังงนี้อย่ามาอัานี้ไม่ได้มาฟังธรรมมาดูหน้าตาคนมาฟังเสียงคนางการฟังธรรมสมัยนี้เราไม่ต้องมาหาครูบาอาจารย์ต่อหน้าต่อตานอกจากมีปัญหาถึงต้องมาถามอย่างนี้มันถึงจะต้องมาเจอกัน แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถอ่านหนังสือได้ฟังเทศที่อัดไว้ได้อยากจะดูสดก็ดูได้เพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆมันดีเพราะมันเป็นการเจริญปัญญาบางทีเราคิดไปในทางปัญญาไม่เป็นเราก็เลยเอาศัยความคิดของครูบาอาจารย์ไปก่อนท่านท่านเทศท่านสอนท่านคิดไปในทางปัญญาเราก็ฟังไปพอฟังไปใจเราก็จะน้อมคิดไปในทางเดียวกันแล้วต่อไปเราก็จะคิดไปในทางนี้ได้ พอเราคิดไปในทางปัญญาได้ต่อไปเราก็ไม่ฟังแล้วถ้าเราถึงขั้นปฏิบัติขั้นปัญญาจริงๆนี้เราจะไม่ค่อยฟังเราจะฟังทำฟังปัญญาของเรามากกว่าเพราะปัญญาของเราใกล้ตัวกว่าปัญญาของครูบาอาจารย์นอกจากว่ามันไปติดตรงไหนเท่านั้นเราถึงจะต้องไปปรึกษากับครูบาอาจารย์ว่าจะแก้ไขอย่างไรว่าถึงจุดนี้มันข้ามไปไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเข้าสู่ขั้นภาวนาแล้วขั้นสู่ ปัญญาอัตโนมัติแล้วมหาปัญญาแล้วนี้มันจะไม่ไปฟังใครแล้วมันจะฟังปัญญาของตนเองเพราะปัญญาของตนเท่านั้นที่จะมาดับความทุกข์มาฆ่ากิเลสตัญหาของตนได้นอกจากมันไปติดขัดแล้วไม่รู้จะแก้อย่างไรจะฆ่ากิเลสตัวนี้ได้อย่างไรก็ต้องไปปรึกษากับผู้ที่รู้ผู้ที่ผ่านมาแล้วพอรู้พอได้รับคําตอบก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่มีก็ต้อง ทดลองไปแก้แบบนี้ไปแก้แบบนั้นไปลองผิดลองถูกไปเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็แก้ได้เหมือนกันแต่จะช้าหน่อยคำถามเจ้าคุณรินดานะครับนั่งสมาธินานแค่ไหนถึงจะสื่อกับวิญญาณได้มันไม่ได้อยู่ที่นานไม่นานมันอยู่ที่สมาธิเราได้สมาธิที่สื่อได้หรือไม่สมาธิที่สือ่อนี้ท่านเรียกว่าอุ ป, ปจารสมาธิคือจิตต้องรวมก่อน รวมเป็นรวมรวมปั๊บแต่มันไม่อยู่นิ่งๆเฉยๆมันออกไปรับรู้กายทิพย์เนี่ยถึงถึงจะสื่อกับพวกกายทิพย์ได้ต้องอยู่ในอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้ท่านไม่อยากให้เราไปทางนี้กันเพราะไปมันไม่ใช่เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานมันไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนะงั้นอย่าไปทางนี้อย่าไปสนใจอย่าไปสื่อกับดวงวิญญาณต่างๆ ไว้รอให้เราไปถึงนิพพานก่อนให้เราหลุดพ้นก่อนแล้วเราค่อยกลับมาสื่อกับพวกนี้ได้อยู่อย่างคุณแม่แก้วนี้ท่านก็มีปัญหาแบบนี้ในช่วงที่ปฏิบัติจิตของท่านก็ชอบไปสื่อกับพวกดวงวิญญาณจนหลวงตานี่ที่เป็นอาจารย์ถึงต้องข่มรูว่าถ้าไม่เลิกไปหาพวกนี้ก็อย่ามาหาเรานะ เพราะว่าไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันมันไม่ทําให้เกิดปัญญามันไม่ได้ทําให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาต้องไปทางอัปปนาสมาธิต้องไปนิ่งสงบอย่างเดียวพอหลวงตาครูขนาดนันแกก็เลยเลิกไม่งั้นแกก็ชอบนั่งแล้วก็ไปสื่อกับดวงวิญญาณต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่หลังจากที่แกปฏิบัติดุจพ้นแล้วแกก็ยังมีความสามารถที่จะสื่อกับดวงวิญญาณได้เช่นคืนที่หลวงปู่มั่นเสียชีวิตไปหลวงปู่มั่นนั่นก็มาบอก ว่เราตายแล้วนะเธอไม่ต้องมาหาเราเนะพอดีวันนั้นกายกัจะไปเยี่ยมตอนเช้ากัจะไปเยี่ยมเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของแล้วพอตอนคืนตีหนึ่งตีสอ ง, สองนั่งสมาธิหลวงปู่ท่านท่านสิ้นแล้วดวงวิญญาณของท่านก็มาบอกว่าเราเสียแล้วนะไปก็จะไปเจอแต่ซากของเราเจอแต่ร่างกายของเราที่ไม่มีลมหายใจนี่กาก็ยังสื่อได้อยู่ ว่าอาหาที่ตายไปก็ยังสื่อกับผู้ที่อยู่ได้อยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วศูญหายไปหมดเป็นแต่ว่าท่านจะสื่อไม่สื่อเท่านั้นเองอยู่ที่ว่ามีความสำคัญมีความผูกพันกันหรือไม่ถ้ามีความผูกพันกันก็มีอะไรต่อกันมาก็อาจจะติดต่อกันได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ยังติดต่อกับพระพุทธมารดาพระพุทธมารดาตายไปต้องสสิบกว่าปีแล้วท่านก็ยังสามารถติดต่อกับท่านได้ ท่านไปอยู่บนสวรรค์ติดต่อกันได้สอนธรรมะกันได้บรรลุธรรมได้ในสวรรค์เนี่ยคำถามเจ้คุณกนินนะครับการบริจาคร่างกายกับการบริจาคเลือดอันไหนได้บุญมากกว่ากันคะตอนนี้บริจาคทั้งสองอย่างถ้าบริจาคที่ยังไม่ตายขณะที่ไม่ตายก็ได้บุญทั้งสองอย่างเช่นบริจาคไเนี่ไปข้างหงนึ่งเนี้ก็ อาจจะได้บุญมากกว่าเบอร์จากเลือดเพราะคุณค่ามันมากกว่ากันก medida, มันอยู่ที่คุณกล้าแต่ถ้าเบอร์จากตอนที่ตายไปแล้วนี้ไม่ได้บุญเลยอาจ <อ ye. S 2> จะได้ประโยชน์เช่นบอร์จากร่างกายให้กับนักศึกษาไปศึกษาออย่างนี้ก็ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้บุญเพราะว่าผู้ที่เบอร์จากนั้นไม่รู้ว่าได้เบอร์จากหรือไม่เพราะเวลาตายไปแล้วนี้ไม่รู้ว่าเขาเอาร่างกายของเราไปทําอะไรอย่างไรแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เรารู้ fi. ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังเสียสละของที่เรารักเราห่วงเราจะได้บุญตรงนั้นได้บุญตรงที่เราเสียสละของที่เรารักเราห่วงและเรารู้ว่าเราได้เสียสละจริงๆแต่ถ้าเราตายไปแล้วนี่เราไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรแล้วเราจะไม่ได้บุญเลยสำหรับคนคนบริจาคแต่คนที่รับบริจาคนี้เขาได้ประโยชน์ ayud? ก็ยังอาจจะเอาตาไปใช้ได้เอาหัวใจไปใช้ได้เอาปอดไปใช้ได้ พรถ้าตายใหม่ๆนี้เขาก็สามารถที่จ ะ, ะใส่ใส่ใส่กระติกใส่น้มแข็งแช่เย็นแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลเพื่อเอาไปเปลี่ยนให้กับคนที่กำลังรอรับอวัยวะอยู่อันนี้ผู้ที่ผู้ผู้อื่นจะได้รับประโยชน์แต่ผู้ให้ไม่ได้รับประโยชน์เพราะผู้ให้ไม่รู้ผู้ให้ไม่ได้เสียสละถ้าอยากจะได้ก็ต้องเสียสละต้องให้ตอนที่มันมีชีวิตอยู่แล้วจะได้บุญ แสดงว่าอย่างนี้ในกรณีของหลวงพ่อคูนเนี่ยแสดงว่าท่านให้เพื่อเกิดประโยชน์ไม่ได้ให้เพื่อต้องการบุญใช่ไหมครับอาจารย์ท่านก็คงจะคงจามีบุญของท่านอยู่แล้วคําถามข้อต่อไปนะครับจากคุณจ่าจุพรนะครับเ <ED> <ảo> มื่อกายดับจิตยังอยู่ใช่ไหมคะและจิตต้องไปรับกรรมดีในสวรรค์ส่วนกรรมไม่ดีหรือบาปก็อยู่ในน<อ>รก<อ> และเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องกรรมใหม่ทําให้เราจึงไม่ละลึกชาติที่ผ่านมาได้เพื่อจะได้รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างและเคยชดใช้กรรมอย่างไรบ้างให้เรารู้บาปบุญมีจริงเราจะได้ทําความดีสะสมต่ อ, ต, อต่อไปในทุกชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นคำถามก็ คำถามข้อต่อไปนะครับจะคุณมนทิลานะครับผู้ที่เอาเงินวางในฝาบาทเวลาตักบาทผิดหรือบาปไหมคะและพระผู้รับเงินผิดหรือบาปด้วยไหมคะคือผู้ให้ไม่บาปหรอกผู้ให้ได้บุญเพียงแต่ผู้รับนี่อาจจะทําผิดกฎระเบียบของพระที่ห้าไม่ให้รับเงินรับทองแต่ถ้ารับแล้วสละไปก็ไม่บาปเหมือนกัน คือท่านไม่ให้เก็บไว้เป็นของตนเองถ้าใครบอยจากมาเราไปรับนี่ก็ต้องเก็บไว้ใช้เองไม่ได้ต้องอต้องให้คนอื่นไปสละให้คนอื่นไปได้อยู่แต่ถ้าอยากจะใช้เองนี่ต้องให้เขาฝากกับลูกสิษย์ไว้หรือวางไวท้ที่อีกที่หนึ่งที่เขามีคนมาเก็บไปดูแลรักษาให้แล้วเวลาต้องการใช้ก็ไปบอกให้เขาไปเอามาใช้ตามที่ต้องการได้อยู่คาถามจากุณหกนะครับ เวลาผมทำบุญผมเกิดความสงสัยว่าหลังจากทำต้องขอการขอนั่นขอนี่คือความอยากใช่ไหมครับใช่การทำบุญนี่มันมีผลของมันอยู่แล้วถ้าขอนอกเหนือจากผลที่ได้มันก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าขอในสิ่งที่ผลบุญมันให้อยู่แล้วก็ได้อยู่ดีดังนั้นการจะขอไม่ขอไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีความสำคัญเพราะว่าเช่นการกินข้าวอย่างนี้ กินแล้วคุณไปขอให้อิ่มมันไม่ต้องขอมันก็อิ่มกินข้าวแล้วขอให้รวยมันก็ไม่รวยนั้นมันเหตุมันเห็นกับผลมันมีอยู่แค่นั้นอ่ะทำอะไรมันก็จะได้อย่างนั้นถ้าจะไปขออะไรนอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่ได้ไม่ขอมันก็ได้ถ้ามันเป็นผลของเหตุที่เราทำคำถามจากคุณวิลาลัยนะครับการเข้าออกทางสมาธิทำอย่างไรจึงจําเส้นทางได้คะ ก็ต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆก็จะจําได้คําถามอ่าเมื่อกีมีคําถามครั้สกุลครับอ่าเวลาการจะหมดแล้รับ <นะ S 2> อีกสักข้อข้อเดียวน่าจะพอแล้วครับเพราะว่าน่าจะเหลือข้อเดียวครับอา <c oughs> <Yeah. c oughs> จารย์เยอะอ๋อจะคุณตั้งนะครับนั่งสมาธิได้ไม่นานเหมือนใจยังไม่นิ่งทําอย่างไรจึงจะได้นั่งนานๆ ก็ต้องฝึกสติให้มีกําลังมากๆนั่งห้านาทีก็สงบได้สงบแล้วก็นั่งได้เป็นเป็นหลายสิบนาที45นาทีชั่วโมงหนึ่งนี่นั่งได้อย่างสบายถ้าสติมีกําลังดีๆมีกําลังมากๆวิธีที่ทำให้สติมีกําลังมากๆก็ต้องหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆเจริญได้ทั้งวันเลยเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าถ้าเราพุโทโธไปทั้งวันนี้เวลานั่งมันจะสงบได้นาน คำถามข้อต่อไปเกิดกับผู้ปฏิบัตินะครับชัยจิปรักษ์นะครับน้าผมเขาด่าแม่ไล่แม่ออกจากบ้านลูกคนนั้นจะตกนรกไหมครับก็เป็นลูกอัคตานอย่ yeah. จะตกนรกหรือไม่ก็ยังไม่เข้าข่ายที่เรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมก็ยังไม่ได้ฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าพอ่อเพียงแต่ว่าไม่ดูแลไม่เลี้ยงดูพ่อไม่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ อันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในขา่ายว่าของการทำบาปแต่ก็อยู่ในข่ายของการเป็นคนอากตันยูก็เป็นคนไม่ดีคนที่จะหาความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ได้ขอเสริมหน่อยครับเนื่องจากข้อนี้ครับที่เขาไล่ออกมาเนี่ยเพราะว่ า, า, าทางพ่อแม่เนี่ยไปสนใจ อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเต็มตัวก็เหมือนกับว่าไล่ให้ไปอยู่ด้วยกันเลยอย่างนี้ครับเหมือนเป็นการประชดหรือไล่จริงก็ไม่ทราบครับอาจารย์ก็แค่นั้นแหละไม่ควรที่จะไล่พ่อไล่แม่ถ้าพ่อแม่เขาอยู่กับเราเราควรจะถือว่าเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ทําบุญได้ตอบแทนบุญคุณกับพ่อกับแม่ถ้าเขาจะไปเองก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าการไปไล่นี้ไม่ถูกเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่แลพ่อแม่เคยไล่เราไปหรือเปล่าเใช่ไหม พ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราจนโตจนกระทั่งเราพึ่งตัวเราเองได้ดังนั้นไม่ควรไล่พ่อไล่แม่ไม่ควรด่าพ่อด่าแม่เป็นการกระทําที่ไม่บังควรอย่างยิ่งหดแล้วครับอาจารย์อไม่มีใครอยากจะถามอีกแล้วนะอย่า ง, นนะงก็รอพรุ่งนี้ก็ได้นะมีถ่ายทอดสดทุกวันถามได้ทุกวันอ้าวก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา